คนในโลกเนี่ยมีหลายศาสนาถ้าเขาไม่รู้ศาสนาพุทธแล้วเนี่ยเขาจะสามารถบรรลุทำอย่างไรเขาจะรู้เรื่องบาปการรมบุญได้ปรไหม<ต><า>เรื่องบุญ<า>เรื่องบาปมีทุกศาสนาเขาเรียนได้เรื่องสิงเรื่อ ง, องทุกศาสนามีมยกเ ว, เวเ้นเรื่องเดียวคือโพธิปัฏฐธรรมภาริยามากมีอะไรแต่การเจริญ ส, สี่สมมามสี่สมถคระพานสี อิที่บาสีอินทรีหาพระราโคตรชเก็ดอันยามาม่มนักบูมแบบวิชา ย, ยพวกนี้ไม่รู้เรื่องพระพไปมีได้เลยทุกศาสนาในโลกในไหนๆกว่าตามไม่วายุกไหนๆมันนึ์โลกไหนๆเทวดาโลกไหนถ้าศาสนาอื่นนอกจากคำสอนจากพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีทีคค่จะมีคนมาจากทุกโลกได้ ลองนั่งสมาธิฟังได้เลยในทุกศาสนาแต่มานี่ลองงงนะนั่งไม่ได้เข้าเลยนะพระเจ้าอะไรอะไรต่ออะไรก็ไม่รู้ภูมิสต้อสัตว์นี่แย่หมดคล้ายๆกต่อยากให้คนดีแต่ปัญญาของศาสดาเข้าไม่ถึงเลยนะศาสดาไม่เข้าไปถึความจริงสูงสุดนั้นพระพุทธเจ้าเพราะคนที่จะตัดสินเป็นพระเจ้าจะสร้างบารมีมันยาวนานมากเราโชคดีไห เห็นไหมล่ะทุกวงการอาจารย์ไม่มองศิเลยเอานี้ขนาดเห็นใจกันนะทำไมเห็นใจจริงนะแต่ทํำไมเขาเชื่อแล้วความเข้าใจผิดแต่ความเชื่อมันเด็ดขาดะล้วนั้นไปล้างออกได้แต่พูดให้เขาเชื่อได้วเนยเดี๋ยวก็ทะเลาะกันต่อไเพราะนั้นไม่พูดดีกว่าเราก็พูดเฉพาะส่วนที่มีปัญญาครูเจ้าบอกแล้วผููที่มีทุ่มดีในวงการน้อย พอที่จะมีปัญญาละฟังธรรมะเจ้ายังมีอยู่นแน่เห็นไหมเนี่ยพวกเราพอฟังได้ไหมง่ายอย้านี้ก็ต้องอย่างนี้นนสิจะพูดกันได้เนี่ยจะไม่ดีนะถ้าไม่ใช่คำสอนของมังกรเจ้าจะไม่มีเรื่องโพธิปัจกิยะธรรมสามสประการโพธิปัจกิยะธรรมทำฝ่ายที่จะากทำให้ปัสราว ทำให้บรรลุอริยสัจสี่ทำให้ผลลุกจะไม่มีและถามว่าพระเจ้าจริงไหมจริงพระเจ้าหมายถึงพวกเทวดาพวกครมซึ่งเขาก็มีอานุภาพเล็กเล็กน้อยพอที่จะช่วยอะไบ้างคนทีาา่ศรัทธาเขาเล็กๆล็กน้อยน้อยแต่อานุภาพของพระเด้าประมาณนี้ได้จริงๆทดลองได้เลยใครลงใจเชื่อมัน่นในพระเจ้าทาว่าส่งรับประการไ ด, ด้ทําอะไรก็จเจริญอยู่ จะให้กินนะไม่ไม่ใช่ไอ้ปากก็โ้สาระนั่นทันทีเลยฉันนงควบคุมีฉันน่งบัล่ะพุทธเจ้าองค์ยาวเป็นผู้เป็นปรเสริฐแต่ไปกล่าวว่าผู้เป็นปีศาเทวดาเทวดา่านั้นว่าว่าผู้เป็นที่ขึ้นไม่ได้พระเจ้าม่ขึ้นให้มาพึ่งคาสอนของพระพระเจ้าก็เอารถทำแเราอาศัยทำหยา สัจธรรมท่นปฏิบัติตามทำบูชาทำนอกน้องทำเขารคทยามเองทำมีทำเป็นธงชัยมีทำเป็นยอดลงให้ทำเลยวันนั้นถ้าใครปฏิบัติตามทำจะเริญองอถ้าผิดทำเลยอะมีปัญหาทันทีเขาจะไมลผิดทำรูสิผิดทำในครอบครัวก็ตามผิดทำต่อสามีก็ตามต่อภรรยาซึ่งกันและกัต่อพ่อต่แม่มีปัญหาไหมแม่ทาไม่ถูกต้องกับลูกก็ไม่ได้ต้องถูกต้อง ในแม่ทมมมายยํามนี่มันอละเอียดเปซึงนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องจะผมเม่องานเกี่ยวข้องกับใครก็ตามต้องให้ถูกต้องเป็นธรรมเดี๋ยวข้องคอาจารย์ก็ถูกตองคาอาจารย์เี๋ยวข้องลูิก็ถ้อท่าไม่ถูกองมีปัญหาเดือดร้อน